สาปีที่เราได้เจอกับการแพระบาดของโควิดซึ่งอี่บกระทบต่อชีวิตของพวกเราและครอบครัวคนรอบข้างรวมทั้งการทำงานของพวกเราเป็นอย่างมากและหลายคนก็พบ ว, ว่าเกือบ3ามปีที่ความสุขได้พร่องหรือหายไปจากชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโควิดเรื่องที่จะที่คลายหลายคนก็จึกถึงการสแสวงหาความสุขมาชดเชยที่หายไป ตลอดช่วงเวลาสามปีจะเราจะพบความสุขได้อย่างไรเราจะหาความสุขมาทดแทนที่ขาดหายไปอย่างไรความสุขเนี่ยนะจะว่าไปเียมันเปลี่ยวกับมันเปลี่ยเหมือนกับผีเสื้อนะผีเสื้อนี่เ่าหยับได้เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องไปวิ่งไล่ตามจับผีเสื้อเลยมันมีวิธีที่เหนื่อยน้อยกว่า น, นั้นนั่นก็คือปลูกดอกไม้ไว้ที่บาบของเรา เมื่อเรารปลูกดอกไม้ไในที่ของเรานะผีเสื้อก็จะมาเองฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยความสูงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปวิ่งไล่ตามหาไม่ว่าจะเป็นไปตามสถานที่ต่างๆหรือว่าไปซื้อไปสอยสิ่งต่างๆตามห้างตามร้านหรือไปหาของกินอรยอร่อยไปฟังเพลงเพราะ จริงๆแล้วเนี่ยความสูงเนี่ยมันสามารถที่จะมาให้เราพบให้เราสัมผัสได้ตอไม้ในบ้านเราเนี่ยมันดึงดูดเรามันดึงดูดผีเสื้อฉันใดจิตใจที่งดงามก็สามารถจะดึงดูดความสุขได้ฉันนั้นจิตใจที่งดงามเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเบื้องต้นก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราทําความดีต้องมันในทํา มั่นคงในศีลศีลในที่นี้เนี่ยมีความหมายกว้างกว่าศีลห้ามันหมายถึงการกระทำและคำพูดที่งดงามที่เกื้อกูลถ้าว่าเรามั่นคงในศีลตั้งมั่นในธรรมความดีนั่นก็จะดึงดูดความสุขให้เข้ามาสู่ใจเราแต่ถ้าเราทสิีลตรงข้ามจะนิ่งแกตัวเอาเปรียบความทุกต้างหากนะที่จะมาหาเรา มีเด็กสองคนเป็นเพื่อนกันอายุประมาณเก้ขวบสิบขวบคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงผู้ชายมีลูกแก้วที่สวยงามหลายลูกส่วนเด็กหญิงมีลูกกวาดที่น่ากินและอร่อยเด็กชายเนี่ยเห็นลูกกวาดของเพื่อนก็อยากได้เลยบอกกเพื่อนว่าเรามาแลกกันไหม ฉันจะให้ลูกแก้วเธอหมดเลยส่วนเธอก็ให้ลูกกวาดฉันหมดเหมือนกันเด็กหญิงก็ตกลงแล้วก็มอบลูกกวาดทั้งหมดเลยให้กับเพื่อนแต่เด็กชายเนี่ยแทนที่จะให้ลูกแก้วหมดกับกักเอาไ้ขยับลูกแก้วที่สวยแล้วก็ลูกแก้วที่ใหญ่ เอาไว้กับตัวคืนนั้นเนี่ยเด็กหญิงนอนหลับสบายแต่เด็กชายนอนไม่ ห, หลับใจนึงก็กังวลว่าเพื่อนจะรู้ความจริงไหมว่าเราโกหกเพื่อนในเดียวกันก็นึกสงสัยว่าเพื่อนเนี่ยให้ลูกกวาดเราหมดหรือเปล่าเพื่อนจะกลับเอาไว้เหมือนกันที่เราทำเด็กชายเนี่ยได้ลูกกวาดแต่ไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ทำตามที่พูดจะเรียกว่าโกหกก็ได้แล้วก็จะเรียกว่าโกงกได้ ก็ได้ตามที่อยากแต่ไม่มีความพ่อโกหกพ่อโกงพื่นในการที่เด็กหญิงทาตามที่พูดทุกอยาก่างแล้วก็ให้ทั้งหมดที่มีเด็กหญิงหลัแบบสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราปรารถนาให้ความสุขเนี่ยรั่งครูมาสู่ใจเราเนี่ยอย่างแรกที่เราพึงทำก็คือทำความดีถ้าเราไม่ไอยายความทุกข์ มารบ ก, กวนจิตใจเราแนละ้วก็หลีกเลี่ยงนะการเอาเปรียบการโกหกคดโกงหรือการที่มีจิตคิดแต่จะเอาอย่าง้วก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราต้องมั่นอยู่ในธรรมมั่นคงอยู่ในศีลซึ่งก็เป็นเสมือนปราการที่ป้องกันความทุกข์ไม่ให้มาถึงใจเรา แล้วขณะเดียกันความดีก็เหมือนกับดอกไม้ที่ดึงดูดให้ความสุขมาสู่ติตใจของเราได้ง่ายแต่บางครั้งเนี่ยชีวิตของคนเรามันก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่ไม่สมหวังอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตจะให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับเรา ท้องฟ้าแจ่มใสผู้คนน่ารักทำงานสำเร็จไปตลอดเนี่ยมันจำเป็นไปไม่ได้แต่แม้อากาศจะวันผวนผู้คนจะไม่ได้ทำดีกับเราการงานจะอุปสรรคเรากร็กกยังสามารถจะมีความสุขใจได้เรียกว่าเจอทุกข์แต่ใจไม่กระทื ควรไปเข้าใจว่าถ้ามีไรงมากระทบกับเราทันทีเลยนะใจเราก็จะกระเทือนเจอ ก, กระทบปุ๊บใจกระเทือนปั๊บมันไม่ใช่แม้จะมีสิ่งมากระทบกับเราจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาแต่ว่าใจอาจจะไม่กระเทือนก็ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีเพียงคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยวันนั้นมันเป็น วันเสาร์นะเดือนเมษาอากาศร้อนมากร้อนจนกระทั่งเธอเนี่ยต้องเปิดแอร์เต็มที่เลยแต่ก็ยังสึกอ้าพจู่ๆได้ยินเสียงบุตรชาชนีเรียกที่หน้าบา้านเธอไม่พอใจเพราะเธอไม่อยากจะเดินออกไปรับของพอถ้าเดินออกไปก็ต้องเจอแดบก่าจะไปถึงประตูรัว้ว ก็เลยแกล้ง ท, ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่บุรุษปรันี้เนี่ยรูั่วมีคนอยู่นะเสียงแอก็ดังรถก็จอดอยู่ในบ้านก็เลยรอกลางแดดระหงที่รอเนี่ยเขาก็ร้องเพลงไปด้วยเพลงลูกทุ่งผู้หญิงเจ้าของบ้านเนี่ยพอรู้ว่าบุลุษปรันี้เนี่ยไม่ยอมไปนะฮะจนกว่าเธอจอกไปรับของเธอก็เลยเดินไปที่ประตูรั่ว รับของเสร็จก็สีหน้าก็ไม่่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าเจอแดดก็เลยพูดกับหลุยปรษณีว่าอากาศร้อนอย่างเงี้ยยังมีลมร้องเพงเลงอีกเหรอโดยปอรษณัีซึ่งมีเหงื่อเต็มหลังเลยนะไอยิ้มนะแล้วแกก็พูดว่ารร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วมันใจเย็นครับ คนหนึงได้หองแอร์แต่งวดยืนคนหนึ่งตากแดดแต่แม่กายร้อนใจไม่ได้ร้อนด้วยเพราะอะไรนะเพราะรู้จักเติมเต็มความสุขให้ใจเติมเต็มความเย็นให้กับจิตได้กระทบกายแต่ว่าใจไม่ร้อนด้วยคนไปคิดว่าถ้าเจอแดร้อนแล้วใจจะต้องเหมือมันไม่ใช่ มันไม่ได้เป็นอัตโนมัติอย่างนั้นไม่ใช่แค่แดดร้อนกระทบกายเสียงด่ากระทบหูก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะทุกข์หรือคนเราจะมุนมันมีกระบวนการในจิตที่เกิดขึ้นระหว่างการกระทบกับความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจมันมีช่องว่างช่องว่างตอนนั้นเนี่ยก็คือมุมมองความรู้สึก หรือท่าทีของเราต่อสิ่งที่มากระทบสมัยที่หลวงปู่้านรโยเนี่มีชีิตอยู่เนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งนะชื่อแม่ชีสาแม่ชีสาเนี่ยอุปถัมภ์พระเนรดีมากแล้วก็ปฏิบัติดีด้วยแต่วันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่้าเรื่องูกศิษซึ่งเป็นพระมาสองรูปแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปที่กุฏิแม่ชีสาแล้วไปด่าแม่ชีสาทั้งสองท่านก็งงนะ แต่ว่าครูบาอาจารย์สามก็ต้องไปไปที่กูจิไม่ชี้สาเรียกไม่ชีสามาเพราะไม่ชีสาวมาทั้งสองท่านก็ลุมด่าเลยแต่ที่จริงถากกันด่ามากกว่าเพราะท่านด่าไม่เคยเก่งก็ต้องช่วยกันไม่ชี้สาที่แล้วก็งงแต่ว่าก็พนมมือฟังอย่างนิ่งสงบพอทั้งสองท่านเนี่ยด่าจบพอม่จะดา่ายังไงแล้วในชี้สาแทนที่จะโกรธแทนที่จะน้อยใจชื่อครูบาอาจารย์มาว่าเรา ทำไมครูบาอาจารย์เห็ความดีของเราแล้วทุกิดเขารู้ว่าครูบาอาจารย์มาว่าเราแบบนี้เราจะหน้าไปสุกที่ไหนไม่มีเลยนะแล้ฉีสาวก็ยิ้มแล้วก็พูว่าเนี่ยถ้าอาจารย์ด่าดิชอนหมดแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วทราบซึ้งใจเหลือเกินเสียงด่าเป็นเสียงทํำล้วนเลยตอนหน้านี่หมดมาด่าไปนะกิเลสมันยัได้หมดสักทีทั้งสองกรณีเนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งนะพอมีอะไรมากระทบกาย หรือกระทบปูเรือเนี่ยใจไม่กระเทือนด้วยเพราะอะไรเพราะว่ารู้จักรักษาใจคนหนึ่งร้องเพลงแล้วใจมันก็เย็นแม้กายจะร้อนคือคนหนึ่งเนี่ยมีสติแล้วก็มองว่าเสียงด่าเนี่ยมันเป็นเสียงธรรมะเป็นสิ่งที่สามารถจะขูดกิเลส ข, ขัดอัตตาให้เบาๆได้มันคือมุมมองมันคือทัศนคติ มันคือสติที่ช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็ดีหรือว่ากับสิ่งอื่นเช่นหน้าตาสัจสีเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความสำคัญกับมุมมองทัศนคติเนี่ยสำคัญมากเลยนอกนอจากการทำความดีมีศีลตั้งมันในธรรม นอกจากการกระทำและคำพูดจะงดงามแล้วจิตใจที่งดงามเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันงดงามด้วยธรรมะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากลาบากเกินวิสัยของพวกเราที่ใต้หวันนี่มีพี่อย่งคนหนึ่งนะเธอเกิดมาที่การมีความพิการทางสมองเดินเหินลาบากตลอดชีวิตต้องนั่งรถเข็น แถมพูดไม่ได้จะสื่อสารต้องเขียนเอาเจ้ชื่อหวังเหมือเรียนต่ว่าเธอก็สามารถจะใช้ชีวิต อ, อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็ในการศึกษาเธอเรียนจบปริญญาเอกมาตรายชื่อดังในอเมริกายนะูซีเออตมาสมองไม่พิการนะยังไม่มีปัญญาเรียนปริญญาเอกที่หมหาวิทยาลัยอย่างนั้นเลยแล้วเธอก็ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากวันนึงเธอได้รับเชิญให้ไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเธอพูดไม่ได้นะเธอเขียนใสยกระดาษพอเธอบรรยายจบก็มีนักเรียนคนหนึ่งถามเธอว่าเนี่ยคุณอยู่ในสภาพนี้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยคุณเคยรู้สึกน้อยใจบ้งางไหมคุณมองตัวเองอย่างไรคำถามนี้มันเป็นคาถามที่ตรงมากนะ ปกติคนจริงเขาก็ไม่ถามแบบนี้พอถามนี้เข้าเนี่ยห้องประชุม่็เงียบเกล็บแต่วางมือเลี้ยนเธอ ย, ยิ้มแล้วเธอก็หาไปที่กระดาษแล้วเธอก็เขียนฉันมองตัวอย่างไรหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักสองขาฉันเรียวงดงามสามพ่อแม่รักฉันสพระเจ้าก็ประทานควารักให้กับฉันเธอเป็นคริสหฉันมีแมวที่น่ารัก ขันวาดรูปและเขียนหนังสือได้เธอมีผลงานการวาดภาพที่งดงามนแล้วก็ออกแสดงเป็นที่เการได้แต่ข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นบทสรุปรวบยอดเคล็ดลับที่ทำให้เธอเนี่ยมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษาเธอเขียนว่า ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดสำคัญมากเลยนะคนตวนวนมากเนี่ยมีอะไรต่ออะไรมากมายแต่มองไม่เห็นไม่รู้สึกชื่นชมรือมีความสุขแถมมีความทุกข์เพราะเห็นแต่สิ่งที่ตัวอไม่มีไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีแฟนหรือว่า ไม่มีชื่อเสียงไม่มีตำแหน่งที่สูงไม่ได้เป็นผู้จัดการเด็กจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็มีความทุกข์ทั้งที่มีอะไรเยอะแยะเครื่องเล่นของเล่นเครื่องดนตรีมีคอมพิวเตอร์มีกล้องแต่ก็ยังทุกข์เพราะว่าไม่มี iPad เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองขาดผู้ใหญ่ก็เป็นนะมีเยอะแยะ แต่มองไม่เห็นก็เลยไม่มีความสุขช่วงโควิดเนี่ยหลายคนมีความทุกข์เพราะเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองขาดสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทาเช่นสังสรรค์กับเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแต่สิ่งที่ตัองมีสิ่งดีๆที่ตัวเองมีมองไม่เห็นมองข้ามไม่ว่าจะมีคนรักอยู่ใกล้อยังกินอิ่มนอนอุน่นยังมีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่มองไม่เห็นก็เลยทุกข์เพื่อน า, นายรู้สึกว่าชีวิตมันไร้ค่าไม่ใช่เห็นแต่สิ่งที่ขาดสิ่งที่ไม่มีรวมทั้งยามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีไอ้สิ่งดีๆที่มีมองไม่แต่ถ้าเรามองเห็นนะหรือมองเป็นนะแม้มันจะสูญแม้มันจะเสีย แต่ก็จะไม่ทุกข์ง่ายๆผู้ชา ย, ชยคนนึงชื่อโสพลเป็นคนที่มีมีน้ำใจดีมากนอกจากจะทำประโยชน์ส่วนรวมยังรู้จักแล้วก็ขยันชักชวนคนรุ่นใหม่เยาวชนนักศึกษาไปไปจิตอาสาทำสิ่งดีๆช่วยเหลือโรงเรียนที่ยากจนในชนต่บทมีคราวหนึ่ง จะชวนเนี่ยคนหนุ่มสาวเนี่ยไปไปซ่อมโรงเรียนแล้วก็ไปทำกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนไกลนะแถวแม่ห้องสอนพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับค้ากลับเนี่ยนะรถเนี่ยมันก็ต้องผ่านต้องลงเขาแล้วก็มันก็มีโค้งหลายโค้งมากแล้วก็มีโค้งหนึ่งเนี่ยพราก ว, ว่าเกิดพลาดล้นเนี่ย ถลหลลงไปสู่พื้นดินข้างล่างไม่ถึงกับเหวนะแต่มันก็ต่ำพอสมควรตอนนั้นอาากมีสติดีนะแา ก, ก็บอกว่าเนี่ยขอให้เด็กทุกคนที่เขาพามาเนี่ยปลอดภัยบอกว่าเด็กทุกคนปลอดภัยหมดเลยยกเป็นตัวเขาเขาเลยกายเป็นคนพิ ก, การตั้งแต่เอวลงมา เพื่อหลายคนเนี่ยพอรู้ข่าวก็มาร้องผมร้องไห้กับเขาก็มีว่าเนี่ยตัดพ้อว่านี่ขนาดทําบุญนะทําไมจึงเจอเรื่องแบบนี้ทำนองว่าเนี่ยทําดีไม่ได้ดีเลยแต่สาวพนกงานยมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เพราะเราทําบุญนะซึเราจึงเหลือต้องเท่านี้เหลือเท่านี้คืออะไรคือเหลือครึ่งตัว หลายคนเนี่ยทุกเพราะว่าพิการไปครึ่งเห็นแต่ส่วนที่พิการเห็นแต่ส่วนที่ไม่ดีที่มันหายไปเห็นแต่ส่วนไม่ดีที่เกิดขึ้นแต่แทนที่สองคนเนี่ยจะเห็นแต่ครึ่งหนึ่งที่พิการแกเห็นครึ่งหนึ่งที่อย่างดียังเป็นปกติแกก็เลยไม่ทุกข์แกมองเหมือนกับหวังเหมยเหลียนนะคือไม่มองสิ่งที่ขาดหรือสิ่งที่หายไปแต่มอง สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เหลืออยู่หรือสิ่งดีๆที่มีอยู่คนเราถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะทุกน้อยนะมันจะมีความสุขได้ง่ายและไม่ใช่แต่มองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือเห็นแต่สิ่งไม่ดีของตัวเท่านั้นนะการมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่คนรักของเราเนี่ย ขาดหายไปมันก็ทำให้ทุกข์นะมีอาจา์คนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยลูกชายซึ่งเรียนซึ่งเป็นนิสิตแพทย์ปีสี่มาหาเขาแล้วบอกว่าพ่อผมไม่ไหวแล้วนะผมเรียนหมอต่อไปไม่ได้แล้วผมไม่อยากรักษาคนไข้ผมทนเห็นเลือดเห็นหนองไม่ไหวผมอยากไปทำ อยากไปเรียนในสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมใฝ่ฝันก็คือ M B A พ่อบผมเป็อยากจะเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงิ น, นแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมจะเลิกเรียนลนะ้หมอผมจะไปเรียนต่อ M B A พ่อเนี่ยช็อบเลยนะทั้งเสียใจทั้งผิดหวังทั้งโกรธเพราะว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่อุตส่าห์สับสนุน ตั้งแต่เล็กจนได้เรียนหมอแถมลูกก็สอบแพทย์อันดับต้นๆ ต, ติดแพทอันดับต้นๆเลยจะบอกว่าจะทุกข์มากจนกระทั่งนอนไม่หลับเลยนะกระสับกระส่ายททั้งวันทั้งคืนเลยทรมานมากเพราะรู้สึกผิดหวังในตัวลูกชายจนท่าไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเแต่ละววันนึงเนี่ยแต่ลรว่าจะได้ฟัง เทียตมาเคยพูดว่าคนเรานะถ้าไม่รู้จักพอนะมีสิบล้านก็ไม่มีความสุขอยากได้ร้อยล้านแต่ถ้ารู้จักพอนะแม้มีรายได้แค่วันละสองร้อยก็มีความสุขเจ้าก็เลยนึงถึงพี่ชายนะพี่ชายเนี่ยเป็นหมอทหารนะแต่ว่าบาังเอิญเนี่ยมีลูกชายซึ่งพิการแต่กำเนิดติดเตียงมาตลอด ตัวพี่ชายที่เป็นหมอเนี่ยทุกข์มากเลยนะสุดท้ายก็ต้องไปกินเหล้าดับทุกข์กินจนติดเหล้ากลาเป็นโรคสุราเริ้นังแล้วก็ตายก่อนวัยควรส่วนลูกที่ติดเตียงก็ไม่ทราบจะเป็นยังไงต่อไปนะอาจารย์นีน่พอแกนึกได้แบบนี้แกรู้สึกโอ้เรานี้โชคดีเลยนะลูกชายเราเนี่ยสุขภาพดี ฉลาดไม่เก่งไม่เหล็กเ ก, กเลยไม่ติดยองติดยาแล้วทำไมเราจึงทุกข์เพราะเขาเราน่าจะยินดีนะที่เขารู้ว่าเขาชอบอะไรและเขาเลือกที่จะทำตามความฝ่ายฝ่ายของตัวทำไมเราจึงมาทุกข์แบบนี้เราโชคดีกับพี่ชายมากเลย เป็นสิบเป็นร้อยเท่าพอคิดได้แบบนี้ไนดะ้แก่เลิกทุกข์เลยนะลูกก็ยังไม่คิดจะไปเรียนต่อแพทย์แต่ว่าเขาไม่ทุกข์แล้วพราะเขาเนี่ยแทนที่จะเห็นแต่สิ่งที่ลูกไม่มีสิ่งที่ลูกไม่ทำเขาเห็นแต่เขามองกับมมองว่าเออลูกมีอะไรดีบ้าง นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขามีความสุขได้คนเราเนี่ยถ้าเรามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่มีไม่ว่าของเราเองหรือของคนอื่นที่เรารักเนี่ยก็จะมีความสุขได้ยากมากเลยเราจะเห็นแต่สิ่งไม่ดีที่คนอื่นทำกับเรา คนชมเราเราจะไม่ค่อยรู้สึกจําไม่ค่อยได้แต่คนด่าเราจําได้แม่นเราจะจดจําแต่แต่ความผิดพลาดที่ตัวเองทําแต่ความสําเร็จมองไม่เห็นหรือเห็นแต่ความทุกข์สิ่งไม่ดีที่คนอื่นทํากับเราแต่สิ่งดีๆที่คนอื่นทําให้เรากลับมองไม่เห็นกลับจําไม่ได้ตรงนี้เนี่ยจะมาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องนะ มาทบทวนนะเวลาเรามีความทุกข์เป็นเนพราะใจของเราหรือเปล่าเป็นเพราะเราไปตั้งความหวังมากเกินไปไหมเราไม่ได้ทุกข์เพราะใครแต่เราทุกข์เพราะการที่ไปยึดกับความคาดหวังของตัวหรือเปล่ า, าการดูกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาสำรวจนะว่า ไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปหมองบุนกับสิ่งไม่ดีแล้วก็ปล่อยใจให้ผักใสสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมบางทีเพียงแค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะความทุกข์มันก็เบาลงสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ทำให้เราทุกข์มากเท่ากับการที่เราไปผักใสต่อต้านไม่ยอมรับ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นโรคภคยไข้เจ็บไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความไม่สดกสบายความเป็นไปของคนรักหรืออารมณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในใจเรายงคนหนึ่งนะเธอเธอเรียกว่ามีทุกอย่างที่คนธรรมดาปรารถนาก็ว่าได้ มีสามีที่ดีเป็นแฟมลี่แมนลูกก็เป็นคนดีทั้งสามคนแยันขันขังในการงานรักพ่อรักแม่ไม่เก่งเม่กเกลยฐานะของเขาก็ดีและทั้งครอบครัวเนี่ยก็มีความสามัคคีอบอุ่นมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ทำครอบครัวอยู่เป็นระยะระยะที่แบบนี้ก็น่าจะมีความสุขได้แต่วันนึงเธอเพราะว่าเธอเนี่ยมีความรู้สึกเบื่อและตรังก็เป็นความรู้สึกสั่งกระตายเมื่อค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่เธอก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะและตลังเนี่ยมันก็เกิดขึ้น ทีขึ้นทีขึ้นไปเที่ยวก็แล้วมันก็ยังไม่รู้สึกว่ามาช่วยทำให้เกิดความสดชื่นเบิกบานเธอคิดว่ามันเป็นเพราะพอมูหรือเปล่าเพราะเธอก็อายุเกือบห้าสิบแล้วตอนหลังเนี่ยนะอาการมันก็กำเริบ ไมใช่แค่สัง่งตายนะแต่ว่ารู้สึกกระสับกระส่ายแล้วก็เกิดอาการนอนไม่หลับมีอาการแพนิกตื่นตระหนกมันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเธอไปหาหมอหมอบอกว่าสุว่าเธอดีไม่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนสุดท้ายเธอไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์คนนี้เนี่ย แกไม่ได้รู้แต่ศาสตร์สมัยใหม่นะแกสนใจเรื่องการเจริญสติการทำสมาธิภาวานาด้วยฟังอาการของผู้ยญิงคนดี้แล้วเนี่ยหมอก็พูดกคุคนไข้ว่าอยากให้คุณทำอย่างหนึ่งนะให้คุณทำตามผมนะทำตามที่ผมแนะนำพูดกับตัวเองดังๆเลยนะว่า ฉันอนุญาตให้ตัวเองสังกรตายแม้มันจะเกิดขึ้นให้หายเกิดขึ้นเกิดขึ้นจะดเกิดให้หายไปจนตลอดชีวิตก็ตามพูดดังๆสามครั้งทีแรกเธอไม่อยอมพูดหมอว่าก็ ย, ายัง้งเธอให้พูดเธอก็เลยพูดนะพูดแต่ละประโยชน์นี่มันยากสาฉันอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกสั่งกรตายแม้มันจะเกิดเกิดให้หาย ไปจนตลอดชีวิตแต่สตุท้ายเนี่ยเธอก็พูดครบนะสามจบหมอถามว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เธอบอกมันเกร็งที่ท้องมันแน่นที่หน้าอกแล้วก็มันรู้สึกปวดที่คอหมอถามว่ามันเร็วร้ายไหมมันอันตรายไหมเธอบอกไม่ แล้วความรู้สึกสังกัดตายตอนเนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่หมอบอกให้คุณลองสังเกตความรู้สึกที่ดูสังเกตมันโดยที่ไม่ตัดสินไม่วิพากวิจารแค่ดูเฉยๆเธอก็ทําตามที่หมอนแนะนําหมอถามว่าคุณเชื่อมันเป็นภัยมันเป็นอันตรายไหมในความรู้สึกเนี่ย หรือเป็นปัญหาไหมเธอก็บอกว่ามันก็ไม่เชิงเป็นปัญหานะแค่รบกวนใจเหมาก็แนะนำว่าเนี่ยคุณกลับไปนะให้ลองสังเกตดูความรู้สึกเนี่ยดูมันเฉยเฉยไม่ต้องตัดสินยอมรับอย่างที่มันเป็นดันั้นเธอก็มาหาหมอสองสาครั้งนะและ้วเธอก็พบว่าเธอบอกหมอว่า ตอนที่มันมีความสึกสองอย่างนะปะควรกันความสึกแรกคือผิดหลังที่มันไม่ไปสักทีแต่ความสึกสองคือโล่งใจโล่งใจที่ยอมรับมันได้เสวรสิ่งนี้เธอยอมรับความสึกนี้ได้นะอารมณ์สัง่งตายแล้วพบว่าหลังกานั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกดีขึ้น สดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นทั้งทั้งที่ความรู้สึกสั่งตายยังอยู่นะแต่ทําไมเนี่ยเธอมีชีวิตชีวามากขึ้นสดชื่อมากขึ้นเพราะเธอยอมรับมันได้ปัญหาของเธอก็คือว่าปัญหาเธอไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกสั่งตายแต่ความรู้สึกไม่ยอมรับพยายามผักสายมันยิ่งผักสายก็ยิ่งทำให้เธอยิ่งทุกข์เพราะมันไม่ยอมหาย เกิดอาการนอนไม่หลับเกิดอาการกระสับกระส่ายเกิดอาการแพนิกอาการนี้มันไม่ได้เกิดจากความสั่งตายแต่จะเกิดจากการที่ไปกดข่มไปผักใสแล้วมันไม่ไปแต่พอยอมรับมันได้เนี่ยแม้ความสั่งตายยังอยู่แต่ว่าใจเนี่ยกลับโป่งโล่งขึ้นมันก็คล้ายๆกับคนที่ เพ่าตึง เ, เป็นมะเร็งนะและที่แลนี่ก็ปวดฟูมากเลยและหลายคนคิดว่าความปวดฟูเนี่ยเกิดขึ้นจากมะเร็งไม่ใช่มีคนหนึ่งพูดไว้ดีนะที่เป็นมะเร็งเหมือนกันถี่บอกว่ า, วามะเร็งไม่ทําให้รอยยิ้มของคุณหายไปความสึกทุกข์ใจลังหาที่มันทาให้รอยยิ้มหายไปและที่ทุกข์ใจเพราะอะไรทุกข์ใจเพราะไม่ยอมรับ คนที่พูเนี่ยเปนมะเร็งเมื่ อ, อยุสามสิบมะเร็งกระเพาะปัสสวะซึ่งไม่จะเกิดขึ้นกับมะเร็งชนิดนี้มั่จะเกิดขึ้นกับคนแก่หรือคนที่สูบบุหรี่เป็นปน ร, ระจําเธอแค่สามสิบแล้วก็ไม่เคยตัดบุหรี่เลยทั้นตอนที่โธอรถเธอเป็นมะเร็งชนิดนี้เธอเป็นทุกข์มากเธอควรโวยวายตีโพดีพายเวียงวีนใส่คนรอบข้าง ไปเว้นแม้ก็ทั่งหมอแล้วหรือพยบาบาลแล้วพ่อแม่จนรทั่งวันหนึ่งเนี่ยเธอก็เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะเป็นจระเขสติมาสังเกตดูใจของตัวแล้วพบว่าไอ้ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยตัวการสำคัญคือการไม่ยอมรับไม่ยอมรับการบน y y ่นโวยวายตีโพยตี D Fi. แต่พอเธอเริ่มปรับใจยอมรับได้นะมันโล่งมันเบาเลยเธพูดไว้ดีนะเธอบอกว่าเนี่ยความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างๆ ท, ที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้เธอเองพูดว่ามะเร็งเนี่ยมันโหดร้ายก็จริง แต่ที่มันโหด ร, ร้ายกว่าคือการที่ไม่ยอมรับไม่อยอมรับไม่ยอมรับโลกนี้ไม่อมรอดเป็นเป็นมะเร็งทาไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นแต่พอยอมรับได้เนี่ยเธอยิ้มได้มะเร็งก็ยังอยู่นะแต่เธอยิ้มได้เพราะฉเนี่ยแม้ว่ามันจะมีทุกข์เกิดขึ้นกับกายแต่ว่าใจไม่ทุกข์ ก็ยังได้จิตสามารถจะไกลทุกได้แม้ว่ากายเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วเพราะการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเช่นโครคภายใ้เจ็บแต่รวมทังสิ่งที่เกิดขึ้ น, นกับใจเช่นความรู้สึกสังกรตายความรู้สึกเบือ่อคนที่ภาวนา ทำกรรมฐ า, านจะพบกับอารมณ์เหล่าที่อยู่นเดนิมๆในลองที่ปฏิบัติไม่ใช่แค่ความฟุง้งแต่รวมถึงความหงุดหงิดความเบื่อหน่ายแต่ครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าให้ใ ห, ให้รู้เฉยๆให้รู้ซื่อๆหลวงพ่ออัตมาหลวงพ่อสมเขียนสอนว่ะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ต้องถักสายมันไม่ตามมันแล้วก็ไม่ตามความกลัวเกิดขึ้นก็แค่รู้มัน ความมุ่งมีกิดขึ้นก็แค่รู้มันรู้เฉยเฉไม่ต้องทําอะไรกับมันะะเราจะพบว่าทุกข์เพราความปกรธเนี่ยมันจันัดเทาลงเพราะว่ามันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์มันมีแต่ความปกรธไม่มีผู้โกรธสติเป็นสิ่งสาคัญมากที่จะช่วยรักษาใจนะมันช่วยมไม่เพียงแต่ช่วยทําให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่มังช่วยทําให้เรารู้จับปล่อยรู้จับวาง ไม่ไปยึดไม่ไปแบบอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจหรือสิ่งที่มากระทบจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงดา่าหรือว่าความเจ็บความปวดคนเราเนี่ยถ้าว่าเรามีสติรู้ทันนะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ไม่ยึดไม่ปล่อยไม่ยึดไม่ไม่แบงนะมันจะเบาลงได้เยอะนะเพียคนหนึ่งเนี่ย เธอเคยมีความสุขกับสามีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมาสิบกว่าปีแต่รู้สึกว่าสา ม, มีเอเพรา ะ, ระมีความรู้สามีนะี่ก็เป็นคนที่รับครอบครัวแล้ววันนึงพบวะ่าเธอมีผู้ เ, เขามีผู้หญิงอื่นพอรู้ความจริง น, นี่นะโหเธอทุกข์มากเลยนะโกรธกลัดเกลี้ยวขึ้นกูขึ้นมึงเลยนะ สุทายนี่ก็แยกทางครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าเนี่ยเธอคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาแต่ตอนนี้ไม่มีเขาดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าเธอจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมีความโกรธแม้จะแยกทางกับเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังอกคอยรบกวนจิตใจของเธอนึกถึงเขาทีไรก็โกรธ รุ่มร้อนจนทั้งเธอต้องไปปฏิบัติธรรมเธอก็ไปปฏิบัติธรรมจเจริญสติอยู่หลายครั้งก่อนหน้า น, นั้นก็มีความสงบเย็นแต่คราวนี้มันรุ่มร้อนตั้งแต่วันแรกเลยไม่ว่าจะเดินหรือจะนั่งมันรุ่มร้อ น, น, นวันที่สองก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่มันมมีความสงบเย็นเลยวันที่สาม ก็ยังโกรธยังเกลียวยังรุ่มร้อนเดีมีช่วงนึงเนี่ยเธอโดนจงกรมนะแล้วเธอก็เอามือเนี่ยนะประสานไว้มือสองมือี่ประสานนะไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินเป็นชั่วโมงหลังจากที่ไปชั่วโมงเนี่ยเธอก็ถึงเมื่อยเมื่อยมือพอเมืออม่อยเธอก็เลยปล่อยมือปล่อยแทง ที่เกิดขึ้นคือมันไม่เพียงแต่สบายกายเท่านั้นนะแต่ใจมันโล่งด้วยเพราะตอนนั้นเธอได้มารู้ว่าเนี่ยที่เธอทุกข์ที่เธอร้อนเนี่ยทัดใจเนี่ยไปไปนึกถึงเขาใ่ตลอดเวลาการที่ใจเนี่ยไปนึกถึงผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะมันทําให้ใจิตใจเธอโกรเธเจอขับแค้นรุมร้อนมากแต่พอปล่อยเขาไปจากใจนนะ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ปล่อยมือนี่นะมันสบายเลยเธอได้เห็นเลยนะว่าเนี่ยปล่อยมือไหลก็ทุกข์มันกันแต่ตอนที่เธอทุกเนี่ยสามวันเต็มเต็มเนี่ยนะเธอไม่รู้เลยนะว่าเป็นเพราะเธอไปยึดชายคนนั้นเอาไว้มอมุ่นอยู่กับชายคนนั้นทั้งนั้นที่นึกแล้วเนี่ยทุก นึกแล้วร้อนแต่ไม่รู้นะไม่รู้ตัวว่าไปยึดเอาไว้ไม่รู้ตั ว, วไปคุ้หมกมุ่นคุ้นที่จับคนคนนั้นจนกระทั่งพอปล่อยมือเนี่ยมันถึงได้ได้คิดได้เห็นว่าใจกําลังทําอะไรอยู่จะเห็นใจกําลังแบกกาลังยึดกำลังหมกมุ่นธรรมชาติของจิตนะพอรู้นะมันปล่อยนะ และที่รู้เนี่ยคือรู้ด้วยสติเกือบสามวันที่ที่ไปยึดไปแบกไว้โดยที่ไม่รู้ตัวั้งให้ทุกข์ร้อนมากเลยนะแต่ทันทีที่มีสติเนี่ยมันปล่อยเลยพอปล่อยหรือวางเนี่ยสิ่งที่เกิด้นคือ เ, เบาความทุกข์ของคนเราโดยอฉพาะความทุกข์ใจเนี่ย ถ้ากายมาถึที่สุดแล้วมันเกิดจากการไปแบกไปยึดเอาไว้และเพราะนั้นที่สิ่งที่เราไปแบกหรือยึดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับเราเราไม่ได้นึกถึงพ่อแม่เราไม่ได้นึกถึงคนรักเราไม่ได้ถึงลูกแต่เรานึกถึงคนที่เขาทอยาะหักหลังเราเรานึกถึงคําพูดที่เขาทิ้มแทงเราเราดื้ถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตทั้งที่มันนึกละทุกแต่ก็ยังไปยึดเอาไว้ แล้วทหานทุกแลกยึดไปทาไมเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติบางทีก็ไปไปนึกถึงปัญหาแต่บางทีก็อาจจะเป็นเพราะไปยึดกับความคาดหวัมันมีวิธีจับลิงนะที่น่าสนใจมากนะเขาไม่ใช่กรงเขาใช้ลูมมะพร้าวลูกมะพร้าวเนี่ยก็ตัดหัวนะ แล้วก็จอยเป็นรูเล็กๆพอที่ลิงเนี่ยจะเอานิ้วเอามือสอดเข้าไปได้แต่ไม่ใหญ่พอที่ลิงเนี่ยจะเอากำ ม, มือออกมาแล้วในลูกมะพร้าวนั่นก็จะใส่ของกินที่ลิงชอบรวมทั้งไข่เป็ดหรือว่าพวกฝรั่งฝรั่งที่เริ่มส่งกลิ่นนะแต่ยังไม่เละเพราะเละปลายข้างนึงเนี่ยเขาจะผูก เชื่อเอาไว้แล้วไปยึดอยู่กับต้นไม้กลิ่นเะนี่ยนะพอมันอยู่ชัาวขณนะั้นมันจะได้กลิ่นกลิ่นฝรั่งหรือว่ากลิ่นไข่ต้มมันก็จะมาที่หพัพร้านั้นแล้วมันก็จะมือเนี่ยล้วงเข้าไปลอดแล้วก็ล้วงเข้าไปแล้วก็ไปกำมากำฝรั่งหรือว่าไข่ แต่เวลามันจะดึงออกมามันดึงไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าลูนี่มันเล็กกว่าแต่มันก็จะพยายามดึงนั้นเนี่ยแล้วเชื่อมันมันดึงทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งมันหมดแรงหลรงนั้นเนี่ยสองสาวันเนี่ยนะฟาร์า น, นี่ก็จะเอาแผลเนี่ยมาพุมตัวมันเอาไว้แล้วจับมันไปขายลิงเนี่ยนะมันพยายามดึงเท่าไหร่ดึงไม่ออกแต่เพียงแค่มันคลายมือ หรือวางไข่วางหรือปล่อยฝรั่งเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระได้นะแต่ลิงเนี่ยมันไม่ยอมคลายมันกรำมันยึดเอาไรอย่างนั้นแหละบางทีเราเห็นลิงแล้วก็ขำนะก็ทํามมันโง่แบบนั้นแต่ไปงครั้งคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะไปยึดถาวรนะยึดทรัพย์สมบัติหรือรถยนต์บ้านซึ่งบางครั้งเป็นอดีตไปแล้วถูกยึดบ้านไปแล้ว ถูกยึดรถไปแล้วหรือว่ายึดกับพุ้นที่มันกลายเป็นขยะไปแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมขายไม่ยอมเทขายยึดเอาไว้เสี็จแล้วเป็นานก็โดนทุกเล่นงานพรานเนี่ยมันจับเรงแต่ความทุกเนี่ยมันจับคนเอาไว้คนที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคนที่ไปยึดนะคนที่ไปแบกอาจารย์คนที่ว่าเนี่ยนะแกะทุกเป็นเดือนเดือนเลยนะ ก็แกยึดกับความคาดหวังว่าลูกเนี่ยต้องเป็นแพทย์เป็นแพทย์ทั้งที่ลูกเนี่ยไม่เอาแล้วขอไปเรียนเอ็อแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยแต่สุดท้ายเนี่ยแกได้ส ต, ติอลกวแปล่อยความคาดหวังลงลูกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ลูกแกก็เป็นิสระเลยเนะจากถุกสามารถที่จะเอามือเนี่ยสอดลงมาจากลูกมะพร้าวเป็นสระได้คนเรายึดโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะเราไม่หนุสติแล้วฉะนั้นถึงที่เรายึดเนี่ยนะมันทําความทุกข์ให้กับเราเราไม่ได้ทุกข์เพราะความสูญเสียนะแต่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความสูญเสียเราทุกข์เพราะเราจะไม่ยังยึดสิ่ง น, นั้นเอาไว้ว่ามันเที่ยงนะว่ามันต้องเป็นของเราว่ามันต้องเป็นไปตามใจเราทั้งนั้นที่มันไม่เที่ยงเลยทั้งนั้นที่มันไม่อยู่ในอำนาจของเราจิตเราจะไกลทุกข์เลยนะ ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ใช่ปล่อยวางสิ่งที่ให้ความสุขกับเราที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ต้องรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเช่งความโกรธการกระทำคำพูดของใครบางคนที่เจ็บปวดทิ่มแทงเราปัญหาสารพัดที่ทำให้เราหนักอัหนักใจ่อยข้างคนเราน่าก็ไม่ต่างจาก ผู้ชายคนหนึ่งนะที่เดินผ่าหินก้อนใหญ่ผ่านไปแล้วนะเสร็จ แ, แล้วก็วบกลับแล้วก็แบกหินก้อนนะั้นแล้วก็บอกว่าหนักเหลือเกินหนักเหลือเกินทุกเหลือเกินทุกเหลือเกินทำไมมันทุกอย่างนี้แล้วไปโทษหินนะทำไมมึงหนักอย่างนี้ทำามึงหนักถามว่าความุสูงเขาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากหินหรือเปล่าหรือเกิดจากการแบกแล้วคนไปโทษหิน ส่วนใหญ่เลยนะแต่ลืมคิดไปว่าแค่ปล่อยแค่วางหินมันก็หายเหนื่อยหายทุกข์หินไม่ทำให้เราทุกข์นะไอการแบกหินนะ่ะทาให้เราทุกข์และทำไมถึงแบบเพราะหลงหลงอย่างแรกคือไม่รู้ตัวหลงอย่างที่สองคือไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ร่วมเป็นทุกข์ไม่ร่วมเป็นหินมันไม่ใช่นุ่น ไปเชื่อมันเป็นทองบางทีก็มันทองก็เป็นแบบเอาไว้แต่ที่จริงมันคือหินแต่ตอนที่มองเป็นทองก็ยังแบบเอาไว้แต่พอมองให้เป็นหินมันก็ทิ้งเมื่อนคนที่ไปแบกกิจสมบัติเขาคิดว่าในหินนั้นมีแต่ชนบัดแต่พอ ร, รู้ว่าในนั้นเนียมันมีแต่แบงก์คงเต็งนะมันปล่อยเลยเป็นเพราะความหลงทุกความไม่รู้ความ ฉันจิตเราเนี่ยจะไกลทุกท่านเราจับปล่อยหรือจับวางปล่อยวางอย่างนั้นคือมีสติรู้ว่ากําลังแบกความทุกข์อยู่เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นที่ที่มารู้ในวันที่สามว่าไปแบกไปยึดความทรงจําเกี่ยวผู้ชายคนนั้นเอาไว้ซึ่งเป็นคนที่ไม่สมควรจะนึกถึงเลยพอรู้ท่านะปล่อยเลยนี่เราปล่อยด้วยสติต่อมาปล่อยด้วยปัญญาคือเห็นว่า มันไม่มีอะไรที่จะจึดมันถึงมันได้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างเป็ทุกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราปล่อยวางได้นะแม้ทุกข์กายเนี่ยแต่ไม่ทุกข์เพราะว่ามันทุกข์แต่กายแต่มันไม่มีเราที่ทุกข์หลวง พ, องงพอง่ออมเกลียวหลวงพ่ออมตมาท่านบอกท่านบอกว่าเนี่ยท่านพูดถึงตอนที่ท่านเจ็บ ป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยแล้วคนก็สงสารท่านท่านบอกอย่สงสารท่านเลยสงสารตัวเองดีกว่าแล้วท่านก็บอกว่าความปวดเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษเราไอ้ความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเราความปวดเนี่ยมันมีเป็นเป็นอาการที่เอาไว้ดูไว้เห็นอย่างเ็นเป็นๆกาย ป, ปวดแต่ถ้าไม่ยึด ความปวดนั้นเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีผู้ปวดมันมีแต่กายที่ปวดเมื่อไม่มีผู้ปวดใจก็ไม่ปวดด้วยครางหนึ่งเนี่ยมีหลงปูดดาเนี่ยท่านไปผ่าเอายิวออกสมัยก่อนมันต้องใช้วิธีการผ่าผ่าเสร็จท่านก็บอกหมอว่าจะไปแค่งชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้วคือท่านจะออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอพยาบาลก็แปใจ หลวงปู่ไม่เจ็บเหรอคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยยังเจ็บเลยหลวงปู่ทำงานไม่เจ็บหลวงปู่บอกเจ็บสิทําไมไม่เจ็บร่างกายหลวงปู่ก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่ใจไม่ได้เจ็บด้วยอย่ามาปนกันคือท่านเจ็บแต่กายแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บเพราะมันไม่มันไม่มีความรู้สึกว่ามีกูพูดเจ็บเพราะถ้ามีปัรยายเห็นว่า ทั้งเด้อทั้งตัวมันมีแต่กายกับใจมันไม่มีกูควรเป็นสาคัญหมายควาว่ากายนี่คือกูใจนี่คือกูนั่นพอกายเจ็บก็กูเจ็บไงแต่หลางพ่จะมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีกูม่มีแต่รูปกบบับนามีแต่กายกับใจเป็นเพราะคนเรามองไม่เห็นตรงนี้มันจึงทุกข์เพราะมันมีแต่ความคิดแบบกูกูกูตลอดเวลารถของกูบ้านของกูลูกของกู รวมทั้งร่างกายของกูด้วยแต่พอมีปัญญาเห็นแล้วมันไม่มีกูมันมีแต่รูป ก, กับนานมีแต่กายกับใจเวลาปวดมันก็ปวดแต่กายแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยเพราะมไม่มันไม่มีกูผู้ปวดถ้าเหมาะแบบนี้นะหัวใจมันไกลทุกเลยแม้ว่ากายจะทุกข์ก็ตามแตบใจี่มันไกลทุกแต่ถึงแม้เราจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะยังมองไม่เห็นตรงนี้แต่ว่า อย่าน้อยเนี่ยที่สมาชูมาตอนเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยทุกคนทําได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ใจเนี่ยห่างทุกไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นแต่สิ่งที่มีไม่มองเห็นสิ่งที่ขาดมองเห็นสิ่งดีๆที่มีไม่มองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าของตัวเองก็ตามหรือของคนถึงก็ตามยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมีสติรู้จักปอรู้จักว่าอารมณ์และความคิดที่มัน ทิมแทงเผาล่นติดใจแรงน้อยเนี่ยก็รู้จักหาความสุขที่มันอยู่กับตัวอยู่แล้วคนเราถ้ารู้จักมองบวกมันจะเห็นว่าความสุขไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยความสุขอยู่กับเราอยู่แล้วที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยก็คือความสุขอย่างึ่งความสุขคือการที่คนรักกันอยู่กับเราความสุขก็คือการที่เรายัางกินอิ่มนอนอุ่น แล้วจริงเนี่ยความสูงจริงๆก็อยู่ที่ปลายจมูกนั่นแหละความสูงที่ปลายจมูกคุณลองหายใจเข้าเรื่องเรื่องหายใจยาวยาวเอาจิตมาอยู่ที่ปลายจมูกคุณจะพบกับความสงบเย็นในเวลาไม่นานเมื่อเอาใจใส่กับลมหายใจหรือเมื่อเราใส่ใจกับลมหายใจ ลมหายใจจะไม่เพียงแต่นําเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเราแต่ยังสามารถเอาความสงบเย็นไปหล่อเลี้ยงบำรุงจิตใจของเราได้รู้จักหาความสุขใกล้ตัวด้วยสายลมหายใจบ้างเวลาปล่อยรุ่มร้อนเนี่ยกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจ ย, ว ย, วยาวๆหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยมีความสุขอยู่ที่ความรู้เนือรู้ตัว คนสมัยโบราณเนี่ยเวลาจะให้บวยพรลูกหลานเนี่ยก็จะอวยพรว่านเนี่ยให้รู้เนื้อรู้ตัวนะลูกเพราะความรู้เนื้อรู้ตัวหรือความสุขตัวเนี่ยมันอริยทรัพย์ที่มีค่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณเรียนสูงแค่ไหนคุณมีบ้านหลังใหญ่เพียงไรแต่ถ้าไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวไม่มีความสุขตัวก็จะพบว่าไม่มีความสุขและเพื่อนๆต้องไปหาความสุขจาก ท, ที่นั่นที่นี แต่เพียงแค่มีความสุกตัวซึ่งอาจจะสายลมหายใจมาช่วยดึงจิตพาใจกลับมาอยู่กันดกวยตัวคุณก็จะมีความสุขได้ง่ายเมื่อมีความสุกตัวปิตใจโปร่งเบาจเจ้าเลอกความสุขมันก็จะมาหาเราก็ได้ความสุขมันเลือกที่จะมาหาคนที่มีความสึกตัวเหมือนกับผีเสื้อที่จะมาหาบ้านที่มีดอกไม้ จะให้ความสุขมาสู่ใจเราเนี่ยก็ทำใจให้มีความสึกตัวมีสติหรือให้ดียิ่งก็คือมีปัญญาแล้วความสุขก็จะพังสูสู่ใจเราสุขจะไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ด้วยความสึกตัวนั่นแหละที่จะทําให้ทุกเนี่ยมันห่างกายจากจิตแม้ว่าจะมีสิ่งรอบตัวที่ไม่น่าพิสมัยก็ตามธรามาเพื่อพอสมควรแล้วนะวข อ, อยุติกรรมปัญญายเป็นเท่านี้